จเจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจฝ่ายธรรมทุกท่านต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะสู่สันติวันนี้ขอนําท่านผู้ฟังเข้ามาศึกษาธรรมะกับทางรายการโดยเฉพาะวันนี้ไดอาราธนาพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรปรเียนธรรมเก้าประโยกวิทยากรประจํารายการของเราอีกท่านหนึ่ง จะมาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะบางทีเราปร ะ, ประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นปัญหาบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราและบางทีก็มองหาทางแก้ไขไม่ออกถ้าเราไม่ใช้ธรรมะไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาบางทีอาจจะทำให้เราแก้ไขปัญหาแบบผิดพลาดไปได้ แต่ถ้าเราได้สดับวประฟังธรรมะอันเป็นสาระจากพระพุทธศาสนาแล้วจะทำให้เราเห็นช่องทางในการดำเนินชีวิตอย่างน้อยถ้าเราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจเราก็พอจะได้เห็นแสงสว่างในการที่เราจะค่อยๆพินิจพิจารณาแก้ไขปัญหานั้นๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยสติด้วยปัญญาไม่หลงตามอารมณ์ชั่ววูบ ในการตัดช่องน้อยแต่พอตัวทำสิ่งที่เป็นโทษแก่ตนเองและครอบครัวทำนำความเสื่อมเสียนำความวิบัติฉิบหายมาสู่สังคมโดยส่วนรวมวันนี้จะได้นำท่านผู้ฟังเข้ามารับฟังธรรมะจากพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโ ร, ปรเปลี่ยนธรรม9้าวประโยคและขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่าน มาตั้งใจติดตามรับฟังสารธรรมจากพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรในเรื่องการแก้ปัญหาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังพร้อมกันเริอนพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้บริยายทำเรื่องการแก้ปัญหาเพื่อสร้างเสริมเพิ่มภูปัญญาบา ร, รมีและเพื่อเป็นแนวทางแห่งการดําเนินชีวิตที่ดีมีประโยชน์สืบไป ก่อนที่จะเริ่มการบริยายทำอัตมาภาพขอฝากคำกลอนมาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจไว้ณโอกาสนี้ว่าคิดจะแก้ปัญหาที่ถาถมวอนสังคมร่วมด้วยช่วยประหยัดสิ่งฟุ่มเฟือยหรูหราสารพัดขอให้ตัดอย่าไปใช้ไม่จำเป็นในยามนี้วอนคนไทยให้ประหยัด ยามที่ชาติไทยลำบากถึงยากเข็นท่านงดใจสิ่งเหลือเฟือเมื่อลำเข็นแล้วท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขเทินญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก่อนที่จะได้ฟังธรรมบรรายายอัตมาภาพจะขอยกเอาบทสาธยายมนซึ่งสาธุชนทั้งหลายใช้สาธยายทั้งในเวลาเช้าตื่นนอน และก่อนจะเข้านอนมาเป็นหัวข้อบรรยาย ร, รมความว่ามาหาการุนิโกนาโธหิตายสัพปปานินังปูเรตวาปารมีสัพภาบัตโตสัมโพธิมุตตะมังซึ่งมีปรากฏอยู่ในบทถวายพรพระเพื่อสะดุดีคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อแปลความไทยแล้วจะได้ความว่าพระพุทธเจ้าพระผู้เป็นที่พึ่ง ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้บรรลุพระสัมมาสัมปวิทยานตรัสรู้ที่ยอดเยี่ยมดังนี้สมเด็จพระบรมศา ส, สดาสัมมาทิพย์เจ้าของเรานั้นสงสลรประโยชน์สุขสุวนพระองค์ออกผนวชเปิดสแสวงหาทางหลุดพน้นจากวัฏทุกรให้แก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้จนกระทั่งได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมปวิทยาณแล้ว ก็ยังมีพระไทยกอบด้่ยความกรุณาต่างกิต จ, จำนงเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาพระอินทร์พระพรหมพระ ย, ยมและยักษ์ตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วหน้าแม่บางครั้งพระองค์ต้องได้รับความลำบากยากเข็ญจะต้องประสบอุปสรรคหรือถูกกลั่นแกล้งจากภารชนที่คิดมุ่งร้ายหลายครั้ง พระองค์ก็ได้ชัยชนะต่อศัตรูหมู่มารพวกนั้นมาได้ทุกครั้งทุกครานี่เป็นอุทาหารณ์ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังประสบภัยทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในเวลานี้ขอให้มีกำลังใจฟันฝ่าอุปสรรคที่มากีดขวางทางดำเนินชีวิตอย่าได้ถอดใจยอมแพ้เอาเสีย ง, ง่ายๆจงต่อสู้กับความลำบากกายใจต่อไปอย่าได้ท้อถอย จงเห็นอุปสรรคที่อยู่เบื้องหน้าเป็นคู่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดแห่งชีวิตใช้สติปัญญาแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยอาศัยหลักทำดำเนินชีวิตในที่สุดเราก็จะได้รับชัยชนะต่ออุปสรรคที่เป็นขวากน้นาได้ในไมช่ช้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขอเรามาศึกษาชีวิตของพระบรมศ า, ศาสดาสัมมาสัพพุตเเจ้า พระองค์ถูกเราพาละชนทำร้ายหลายครั้งและพระองค์ก็ได้รับชัยชนะทุกครั้งท่า น, นี้ก็เพราะทรงอาศัยเมตตาอนุภาพคืออนุภาพแห่งเมตตาที่มีต่อพาลชนเหล่านะั้นในที่สุดพวกผานก็พ่ายแพ้แก่พระบารมีธรรมของพระพุทธองค์ทุกครั้งปในที่นี้จะนำาเรื่องราวที่พระพุทธองค์ทรงชนะหมู่มาเรเหล่าพาลชน มาแสดงสักสางเรื่องดังต่อไปนี้คราวหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่เขาคิจกุฎพระเทวทัตต้องการจะปลงประจนพระบรมศาสดาจึงคบคิดกับเจ้าอาชาติศัตรูเจ้าเมืองมคตให้เท้าเธอจัดหน้านายขมังธนูผู้ยิงธนูแม่นมาให้พระเทวทัตจัดการวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้า พระเทวทัตทรงนายขมังธนูชุดแรกไปปลงประจนพพุทธเจ้าสองคนและกําชับไว้ว่าเมื่อจัดการปลงประชนพระาศาสดาแล้วให้หนีไปทางโน้นทางโน้นท่นนี้ก็เพราะตนได้เตรียมนายขมังธนูชุดที่สองเอาไว้ข้าปิดปากนายขมังธนูชุดที่หนึ่งเตรียมจัดนายขมังธนูชุดที่สามเอาไว้ข้าปิดปากนายขมังธนูชุดที่สองจัดการข้าปิดปากกันเป็นทอดทอดไป ทั้งนี้ก็ต้องการปกปิดความชั่วที่ตัวกระทำเอาไว้แต่ด้วยอนุภาพแห่งเมตตาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านายกำมังธนูทุกชุดก็ได้มีโอกาสสดับพระธรรมเทศนาของพระทสพลได้มรุอริยผลและรอดพ้นจากความตายการปรองพระชนโดยให้นายกำมังธนูของพระเทวทัพจึงไม่สําเร็จผลทั้งนี้ก็เพราะอนุภาพแห่งเมตตาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกคราวหนึ่งพระเทวทัตวางแผนปลงพระจนประาศาสดาขณะที่พระองค์กำลังเสด็จขึ้นไปยอดเขาคิจกูดพระเทวทัตอยู่บนยอดเขากลิ้งศิลาลงมาหมายว่าจะกลิ้งศิลาทับพระพุทธองค์แต่ก็พลาดจนได้เพราะก้อนหินกลิ้งไปกระทบแง่เขาหินแตกสะเก็ดหินจึงกระเด็นไปกระทบพระบาทพระพุทธเจ้าเป็นหีรนห่อเลือดขึ้นทันทีแต่ได้อาศัยยาประครบบาดแผลของหมอชีวกโกมารพัฒ์ ประบาทของพระพุทธองค์ก็ได้หายเป็นปกตินี่ก็เพราะเมตตานุภาพแห่งพระพุทธองค์อีกเช่นกันครั้งสุดท้ายพระเทวทัตคบคิดกับเจ้าอาชาติศัตรูรับปล่อยองช้างนาราคิรีที่กาลังตกมันซ้ำยังกรอกสุราเข้าไปในปากอีกสี่หกไหเพื่อจะให้ช้างเมามันยิ่งขึ้นพระเทวทัตปล่อยช้างไปในขณะที่พระพุทธองค์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หรอรูป กำลังเดินรับอาหารบินดาบาทอยู่สองฝากถนนเป็นเหตุให้ผู้คนแตกตื่นช้างวิ่งปรีตรงไปหาพระพุทธเจ้าแต่ด้วยอานุภาพเป็งเมตตาช้างได้ไปหมอบอยู่ตรงพระพักพระพุทธองค์อย่างน่าอัศจรรย์เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะช้างนาลาคิรีระลึกถึงชาติปางก่อนที่เคยเป็นช้างอยู่ในป่าขณะกําลังตกอยู่ในลมเลนพิษไหลหมุนวนเข้าสูญกลาง ดังก่าว่าน้ำบนชนันช้างเชือกนั้นหมุนไปตามแนววิถีโคลนในหล่มเพเลนพิษนั้นขณะนั้นพระพุทธเจ้าในชาตินั้นเป็นฤาษีอยู่ในป่าด้วยจิตเมตตาจึงไปหาเถาวันใหญ่มาพันปลายข้างหนึ่งเข้ากับต้นไม้ใหญ่แล้วยโยนปลายข้างหนึ่งลงไปให้ช้างเชือกนั้นช้างใช้งวงรับเถาวันสามารถดึงเอาตัวเองให้หลุดพ้นจากหล่มเลนพิษนั้นได้ พ่อมาในชาตินี้ช้างนาลาคิรีซึ่งก็คือช้างเชือกนั้นในชาติก่อนระลึกถึงอุปการคุณของผู้มีประคุณต่อตนเองจึงไม่เนรคุณต่อผู้มีพระคุณท้งนี้ก็ด้วยอาศัยเมตตาโนุภาพของพระพุทธองค์โดยแท้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เป็นขวากน้ําต่อการดําเนินชีวิตได้นั้นต้องอาศัยกำลังใจที่เข้มแข็งต่อสู้ และความอดทนเป็นเบื้องหน้าใช้สติปัญญาพิจารณาหาหุนทางนำเนินไปสู่ความสาเร็จเป็นเบื้องปลายคล้ายๆกับพวกที่หลงผิดไปติดยาเสพติดยาบ้ายามายาอียาฉีดผงขาวติดดื่มเหล้าติดสูบบุหรี่เมื่อท่านตั้งใจจะเลิกสิ่งเสพติดให้โทษพวกนี้จะต้องใช้กำลังใจเด็ดเดี่ยวอดทนและใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นโทษของสิ่งเสพติดเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะนำความหายนะเสียหายมาให้แก่ชีวิตของตนตลอดถึงคนในครอบครัวและสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราบางคนเสพยาบ้าเข้าไปไม่สามารถคุกคุมสติดได้ทำร้ายร่างกายบิดามันดาผู้อินประคุณต้องถูกจับไปรับโทษทันในคุกในตารางซ้ำยังถูกพี่น้องสาปแช่งถูกสังคมตราหน้าเอาว่าเป็นลูกเดรัจคุณนี่เป็นโทษที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ครั้นหลุงลับไปแล้วเกิดมาใหม่หากมีบุญเพียงพอได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีอวัยวะแขนขาพิการไปอีกห้ารอชาติเพราะทําร้ายผู้สร้างอาวัยวะแขนขาให้แก่ลูกต้องไปเกิดเป็นคนโง่เขลา บ, าบัญญัติห้าร้อยชาติเพราะทําร้ายพ่อแม่ผู้เป็นครูบาอาจารย์คนแรกของลูกต้องไปเกิดเป็นคนยากจนทํากินไม่ขึ้นอีก500รอชาติเพราะทําร้ายพ่อแม่ผู้ให้ทรัพย์สินเงินทองเลี้ยงดู รวยซับแก่ลูกมาลงทุนทากิจการค้าขายบางคนเสพยาบ้านหนักถึงกับฆ่าตัวตายไปตกนรกหมกไหมพ่อเกิดใหม่ต้องไปฆ่าตัวตายอีก5้าร้อยชาตินี่คุ้มกันหรือไม่โปรโดเลิกซะเถอเยาวชนที่น่ารักทั้งหลายอาตมาภาพขอให้กำลังใจแก่ทุกท่านที่กำลังหลงผิดและคิดจะเลิกขอให้กำลังใจสู้ชีวิตและอดทน โดยบทประพันธนี้ว่าชีวิตใครใครก็รักอยากหวงเห็นสิ่งที่แสน จ, จะรักก็อยากถนอมใครที่เคยคืนขมอย่าตรมตรอมสิ่งเวทล้อมชักเราไปให้เมาหมัวบัดนี้เธอสำนึกได้หายหลงผิดจงตั้งจิตให้ถูกทางห่างความชั่วเพื่อนพ้องอย่างน้อมรับเธอกลับตัวโลกมัวซัวโปรดทิ้งไว้ใต้บาดาล ใครที่เคยหลงผิดหากคิดได้กำลังใจเรี่ยวแรงต้องแข็งขันอดทนสร้างชีวิตใหม่ให้ชื่นบานเหมือนทิพทานฉโลมใจให้เรื่อนรงราตีมืดแล้วสว่างเป็นข้างขึ้นใครขมคืนแล้วหายช้ำดูงามสมหนีบาปมาสร้างกุศลคนนิยมทุกสังคมยินดีรับเธอกลับมาญาติโยมสาวชนทั้งหลาย ในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่จะโชคดีโดยไม่มีโชคร้ายเลยในชีวิตและก็เช่นเดียวกันก็ไม่มีใครที่โชคร้ายโดยไม่มีโชคดีในชีวิตคนเราเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องพบคนดีบ้างพบคนชั่วบ้างมีโชคบ้างอับโชคบ้างมีสุขบ้างมีทุกบ้างสลับกันไปตามวงจรแห่งโลกธรรมไม่มีใครหนีวงจรแห่งโลกธรรมนี้ไปได้ผู้มีปัญญารู้เท่าทันโลกธรรมเท่านั้น ยอมอยู่เหนือโลกธรรมนี้ไปได้ตลอดในข้อนี้มีเรื่องของครอบครัวเศรษฐีผู้หนึ่งเป็นตัวอย่างในบ้านหลังหนึ่งมีเศรษฐีภรรยาและลูกชายคนเดียวรวมเป็นสามคนในบ้านหลังนั้นที่บ้านเศรษฐีเขาเลี้ยงม้าหนุ่มไว้ตัวหนึ่งสําหรับลูกชายเอาไว้ขี่เล่นวันหนึ่งม้าตัวนั้นหายออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบว่าใครขโมยเอาไปแม่และลูกต่างก็เศร้าโศกเสียใจเพราะม้าตัวโปรดหายไป เศรษฐีผู้มั่นในการปฏิบัติธรรมพิจารณาหึนความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตประจำวันเพราะมีประสบการณ์ทางโลกมานานจึงกล่าวสอนคนทั้งสองนั้นว่าเออมาที่หายไปนะ่ะอาจจะเกิดผลดีแก่เราก็ได้นะใครจะไปรู้อย่างเช่นบางเวลาเรารีบร้อนออกจากบ้านไปเที่ยวพอเดินไปได้สักพักหนึ่งบังเอิญนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองลืมเอาเงินติดตัวมา จึงกลับไปทำให้เสียเวลาเดินทางไปอีกหลายนาทีพอออกจากบ้านไปก็ไม่ทันเพื่อนที่เดินทางไปข้างหน้าก่อนแล้วปรากฏว่าเดินทางไปได้สักพักหนึ่งก็พบผู้บาดเจ็บซึ่งก็คือเพื่อนที่เดินทางไปก่อนหน้าเรานั่นเองถูกรถเฉียวบาดเจ็บต้องไปนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแทนที่จะได้ไปเที่ยวสนุกสนานนี่คือผลดีของความลาจาเพราะเสียเวลาไปบ้างนิดหน่อย แม่และลูกชายฟังแล้วก็พอคลายเศร้าโศกลงไปได้บัางสามวันต่อมามาตัวนั้นได้พาฟูงหมาป่าเข้ามาบ้านถึงสามสิบตัวแม่และลูกชายก็ดีใจใหญ่เชียวเศรษฐีจึงกล่าวสอนคนทั้งสองนั้นอีกว่าเออเระวังนะของที่เราได้มานั้นสักวันอาจจะ ก, ก่อให้เกิดความเสียหายกับเราก็ได้นะใครจะไปรู้ยิ่งดังว่าอีกสามวันต่อมาลูกชายนําออกมาตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นม้าป่าที่ได้มาใหม่นั้นไปขี่เล่นปรากฏว่าพลัดตกลงมาแขนหักแม่เสียใจใยเชียวเศรษฐีก็สอนอีกว่าเออบางทีลูกชายของเราแขนหักอย่างนี้น่ะอาจจะเกิดผลดีกัเราก็ได้นะใครจะไปรู้คราวนี้ภริยา น, นึกขัวเราะเยอะหนุนใจว่าเออแขนหักจะมีผลดีได้อย่างไรเดี๋ยวได้แต่เพียงคิดเท่านั้นแหละไม่ได้โตตอบอะไรแล้วการต่อมาก็มีการเกณฑ์ทหาร ปรากฏลูกชายสิรษฐีไม่ได้ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเพราะแกณฑพิการแม้ดีใจใยเชี่ยวสศรษฐีจะกล่าวสอนอีกว่าเออระวังนะบางทีลูกชายของเราที่ไม่ได้ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารนะ่ะอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เราก็ได้ในวันข้างหน้านะใครจะไปรู้ช่วงนั้นเกิดสงครามชายแดนหเดือนต่อมากองทหารที่รบกับข้าศึกศัตรูอยู่ที่ชายแดนต้องสูญเสียสัตว์พานะไปมากมาย จึงต้องมีการขอสัตพาณะจากครอบครัวที่ลูกชายไม่ได้เป็นทาหารปรากฏว่าเศรษฐีต้องเสียมาไป31มสบอดตัวให้แก่กองทัพเพื่อจะได้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูต่อไปแม่และลูกต่างก็เศร้าโศกเสียใจใหญ่เชียวเศรษฐีจึงกล่าวสอนคนทั้งสองอีกว่าเออบางทีเราสูญเสียมาไปนั้นนะ่ะอาจจะเป็นผลดีแก่ครอบครัวของเราก็ได้นะใครจะไปรู้หกเดือนต่อมาได้รับข่าวว่า กองทัพปราบข้าศึกศัตรูออกไปนอกชายแดนของประเทศได้หลังจากที่ได้รับบริจาคม้าจากประาชาชนเพื่อเอาไปรบกับข้าศึกศัตรูเมื่อได้รับชยัยชนะทางราชการยิงได้ประกาศเกียรติคุณแก่ทหารทุกท่านและยกย่องประชาชนให้การสนับสนุนกองทัพเป็นอย่างดีพร้อมกับคืนม้ามสตัวแก่เศรษฐีญาติโยมสาธวชนทั้งหลายนิทานชาดกเรื่องนี้เป็นนิทัศนะอุทาหรณ์เตือนสติทุกท่านให้ได้ทราบว่า เมื่อก่อนนี้เศรษฐกิจในประเทศไทยเรารุ่งเรืองเราอาจจะเคยฟุ้งเฟ้อรู้รามาแล้วแต่บัดนี้ประเทศไทยของเราอยู่ในภาวะตกรากรรมลำบากเศรษฐกิจฟืดเครื่องมากจึงขอให้ทุกท่านจงทําใจอย่าดีใจเมื่อได้มากและอย่าเสียใจเมื่อเสียมากตั้งมั่นอยู่ในธรรมวางใจให้เป็นกลางสิ่งใดควรมีหรือไม่ควรมีสิ่งใดควรเสียหรือไม่ควรเสียจงไตรตรองให้ถ่องแท้ด้วยสติปัญญา ขอยนึกถึงผู้นำครอบครัวอย่างเศรษฐีที่นำมาเล่าให้ทุกท่านได้สะดับฟังไปแล้วทุกท่านทำใจได้วางใจได้แล้วความอยู่เย็นเป็นสุขสำราญจะเกิดมีแก่ทุกท่านอาตมาภาพได้แสดงธรรมบารยายโดยยกเอาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จบ ร, รมมตาสดาที่มีต่อปวงประชาทั้งหลายเพื่อเตือนใจให้สาธุชนทั้งหลายได้ต่อสู้กับอุปสรรคเอาชนะควาน้าแห่งชีวิตก็ขอความดีมีชัยชนะ จงอุบัติบังเกิดแกสาทุชนทั้งหลายทั่วหน้ากันขออำนวยอุยชัยให้ทุกท่านมีความกเกษมสารสุขันสามีลาบยศเสริญรวยเงินตราพร้อมวาสนาบารมีโชคดีเทินขอเจริญพรปูชาจะปูชนียา เอตัมมังคลมุตต ม, มังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดโอเชิญกราบนมัสการบูชาพระประธานพุทธชัยมงคลและพระคู่บารมีพระประธานที่ประดิษฐานณอุโบสถ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 าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคลสาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมสู่สันติซึ่งเป็นรายการธรรมของ วัดหลวงพระสดธรรมกายารามอําเภอดำเนินสะดวจังหวัดราชบุรีที่สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นธรรมะของพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโ ร, ปรเปลี่ยนธรรมก้าวประโยค์ซึ่งแฝงไปด้วยสารธรรมในการแก้ไขปัญหาชีวิตมีตัวอย่างประกอบคืคอธรรมะในชาดกในธรรมบทต่างๆที่พระอาจารย์ยกมาแสดงให้สาธุชนได้ฟัง ได้เห็นตัวอย่างอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของบัณฑิตในการก่อนวันนี้ช่วงท้ายรายการอาตมาก็มีธรรมะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณท่านได้แสดงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนมาฝากท่านผู้ฟังก่อนที่จะจากกัน ท่านบอกว่าบัณฑิตผู้มีปัญญาอันเนื่นชอบย่อมสามารถถือเอาประโยชน์สุขในปัจจุบันได้เพราะว่าท่านย่อมพิจารณาโดยท่องแท้แล้วเห็นโทษของความเกียจคร้านความสำรวยความหยิบโยงในกิจการงานว่าไม่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จหรือความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้และเห็นคุณของความขยันหมั่นเพียรด้วยความตั้งใจด้วยความตั้งใจจริง ด้วยความอดทนต่อความยากลาบากในการประกอบกิจการงานเป็นทางไปสู่ความสำเร็จและทางเจริญรุ่งเรืองได้จึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความตั้งใจจริงความเข้มแข็งอดทนไม่ย่อท้อในการประกอบกิจการงานนี่แหละถ้าท่านใดมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้สมดังบาลีพระพุทธภาษิต ท, ที่ตรัสไว้ในขุทกนิกายความว่าปฏิรูปการีธุรวาอุธทธาตาวินทะวินทเตทนังแปลความว่าคนมีหน้าที่มีจิจการงานขยันหมั่นเพียรทำจิจการงานให้เหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ท่านย่อมพิจารณาเห็นโทษของการไม่รู้จักหาทรัพย์ที่หามาได้ให้ใช้ไปนานๆคนนวามไม่รู้จักมัธยัติเก็บ อ, อมให้ทุนทรัพย์เพิ่มขึ้นว่าเป็นทางให้ไม่อาจจะตั้งตัวได้ย่อมพิจารณาเห็นคุณของการรู้จักถนอมธนุถนอมรักษาทรัพย์ให้ได้ใช้นานๆไม่ใช้ทิ้งทิ้งคว่างๆและ เห็นคุณของการรักษาทรัพย์เก็บออมที่หามาได้โดยสุจริตให้เพิ่มพูนขึ้นโดยธ ร, รมว่าเป็นทางให้ตั้งตัวได้จึงเป็นผู้ประกอบด้วยการรักษาท ร, รัพย์รู้จักมัธยัตยิเก็บหอมรอมริบทุนทรัพย์ให้เพิ่มพูนขึ้นย่อมตั้งตัวได้สมดังพระบาลีพุทธภาษิตว่าอปปเกณะปิเมทาวีปาภเตนะ วิจักขโนสมุตถาเปติอัตตานังอนุงอักขิงวะสันทะมังแปลความว่าผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดย่อมตั้งตัวได้ด้วยต้นทุนแม้น้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้เป็นกองใหญ่ได้ฉะนั้นและท่านย่อมพิจารณาเห็นโทษของการคบคนพาลปัญญาโฉดเขาไม่รู้จักบาปุลคุณโทษ หรือคนชั่วคนขาดศีลขาดธรรมเป็นที่รังแต่จะนำตนไปสู่ความเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนดังมีพระบาลีว่าทุกโขพาเลหิสังคโมแปลความว่าคบคนพานสมาคมกับคนพานย่อมนำทุกขมาให้ และพิจารณาเห็นการคบบันดิตว่าเป็นผู้มีปัญญาทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงและก็คบท่านเหล่านั้นสมดังพระพุทธภาษิตว่าสุโคฮาเวสับปุริเสณะสังคโมการสมาคมกับสัตวรร์บุตนำมาซึ่งความสุขแท้นี่ก็เป็นคติธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณซึ่งนำมาจาก ส่วนหนึ่งของปาตกถาธรรมสําหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปก่อนจากกันอาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศีรัตนไตรยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาปกปักอภิบาลคุ้มครองรักษาสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน ให้เป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยและสัพพะอุปอันตรายทั้งปวงเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานโดยชอบสุขสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพร